ก็น <S an> ั <S an> ่งโดยทปริมณทอเรียบร้อยนะจะภาพเพียบหรือว่าสมาครคณะแขนนะครับเนี่ยแบบว่าไม่ได้เบียดกันแบบแน่นตัวทําัวเร่งนี่ไม่ใช่นะก็นั่งเป็นเปริมณทอนเรียบร้อยนะครับอนี้นะไม่สามารถที่จะนั่งได้สีมานี้ชื่อว่าเล็กเกินไปนะครับและสีมาเห็นปานี้แม้จะสมมุติแล้วก็ไม่เป็นอันสมมุตินะครับก็สมมุติไม่ขึ้นนั่นเองครับ ยังเป็นคามาเขตอยู่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเขตหมู่บ้านครับเป็นคาร์มาสีมามอนเดิมกรรมที่สงกระทําและในสีมานั้นท่าไม่ได้ชําระปิสูุในคามเขตนั้นไม่ได้บ้านนั้นนองครับให้ดีนะ่าย่อมเสียไปเพราะว่าสีมาสมุนไม่ขึ้ น, นครับถึงแม้ในสีมาที่เหลือก็มีในเดียวกันนี้ อธิบายข้อสองสีมาได้อันสงสมมุติเกินสามยอดแม้เพียงปลายเึ้นผมนะครับนิดเดียวนะเกินนิดเดียวนีดดวน่ก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องวันกันให้ดีสีมานั้นจัดว่าใหญ่เกินไปนที่มาข้อสามสีมามีนิมิตที่สงสมมุติไม่ทักให้ต่อเชื่อมถึงกัน นี่ว่าสีมามินิมิตขาที่สูดทั้งนิมิตในทิศตะวันออกแล้วใช่ไหมทั้งนิมิตในทิศใ ต, ต้ทิศตะวันตกทิศเหนือเวีนกันตามลำดับนะครับแล้วกลับมาทักซ้ํานิมิตที่ทังไว้ก่อนในทิศตะวันออกอีกแล้วหยุดจุครัว่วมันจะได้เป็นเส้นลอกวงผลิตใช่ไหมคลอกสี่เหลี่ยมเนี่ยนะมันต้องเชื่อมกันด้วยการทักอย่างนี้สีมา ย่อมจัดเป็นแดนมีนิมิตไม่ขาแต่ถ้าว่าพิสูจน์ทั้งนิมิตวนมาโดยลําดับแล้วทั้งนิมิตในที่เหนือแล้วนะครับใช่ไหมหยุดเพียงที่เหนือนั้นเองสีมาย่อมเชื่อมีนิมิตขาดไม่ได้วนกลับมาในที่ตะวันออกครั้งนะครับลูกขาอันหนึ่งสีมาใดาที่สองสมมุติทั้งเอาต้นไม้มีเปลือกแข็งก็ดีตรงนี้ก็ได้อะต้นตาลและมันพลาเป็นต้นครับ ชื่อว่าไม้มีเปลือกแข็งนะนะไม้พวกนี้ไม่มีแก่นใช่ไหมเขาจะมีเปลือกแข็ ง, ขขงนะนะครับต่อไม้ก็ดีกองหินกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีซึ่งใช้เป็นนิมิตไม่ได้นะครับพวนี้พวนี้ไม่ได้มันต้องต้นไม้ไเลยแล้วก็ไม่ใช่ต้นตาลต้นมะพร้าวนะครับไปทักเอาสิ่งเหล่านี้นะเป็นนิมิตนะครับให้เป็นนิมิตอันหนึ่งในระหว่างสีมานั้น จัดเป็นสีมานิมิตขาดอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้นะก็คือมันสีทิศใช่ไหมมันมีอยู่ทิศหนึ่งแล้วดันไปเอาต้นไม้มีเปลือกแข็งนะครับหรือว่าก่องกองทายทับนะไอ้ตรงนั้นมันอะไรนะใช้เป็นนิมิตไม่ได้ใช่ไหมครับก็เชื่อมนิมิตขาเหมือนกันจะไม่เชื่อมกันด้วยอันนั้นนะครับออืนน <c oughs> ถ้าบอกว่าในดีการท่านอธิบายว่าคําว่าอันตรายคือ ระหว่างสิ่งที่ใช้เป็นนิมิตได้กับนิมิตทั้งหลายนะครับสําหรับสีมาใดที่พวกพิสุขผูกด้วยนิมิตสานิมิตเอาต้นไม้เปลกแข็งเป็นต้นซึ่งใช้เป็นนิมิตไม่ได้อย่างใดอย่างหนึง่งมาทำเป็นนิมิตในหน้าต่อไปนะระหว่างแล้วสมมุติสีมานั้นชั่วมีนิมิตขาดถึงว่าสามทิศใช่ไหมทิศนี้ต้อนอะไรต้นสัง <c oughs> ไม้สั่งนะครับที่ น, นี้ต้อนอโศกนะครับ แต่ประมาทิพนี้ได้มาใส่ต้นตาลหรือมอพาพร้าวเลยนะนี่นะครับเสร็จเลยทิพนี้นะ่ะอันนี้เป็นสีมาสามนิมิตนะก็ชื่อว่ามีนิมิตขานะครับส่วนสีมาในที่ผู้ปิสุกผูก ด, ด้วยการทั้งนิมิตสีเลยสีนิมิตนะครับหรือว่าห้านิมิตเป็นต้ น, นก็คือมากกว่าสามนะเอาต้นไม้เปลือกแข็งเป็นต้นเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาทําเป็นนิมิตในระหวา่างต้นนะนะต้นขนุน ต้นมะ่งมวง ต, ต้นอะไรนะต้นอโศกนะครับแล้วก็มมีต้นมะพร้าวอีกต้นนึงนะนีนะครับท่าบอกว่าแล้วสมมุติสีมานั้นนะครับย่อมปรากฏว่ามีนิมิตไม่ถาเพราะมีนิมิตสามนิมิตที่ใช้เป็นนิมิตได้ถ้า่ท่บอกว่าไอ้สามนิมิตที่เหลือนะ่ะมันก็ยังมาเชื่อมต่อกันได้นะถึงไอ้ที่สี่มันจะใช้ไม่ได้นะครับ แต่ในแต่กคาถาทั้งหลายท่านกล่าวไว้โดยไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงควรจะค่ควรเสียก่อนและค่อยถือเอาย่าไม่ถืออานั้นมัสีินี้นะครับให้ค่ยควรก่อนนะครับต่อไปนะครับอธิบายต่อเลยอธิบายข้อสี่สีมาที่สมมุติสงสมมุตินะครับการเอาเงาอย่างใดอย่างหนึ่งมีเงาภูเขาเป็นต้นใช้เป็นนิมิตจัดว่ามีเงาเป็นนิมิตใช้ไม่ได้ ก็ต้องภูเขาไปเลยต้นไม้ต้นไม้ไปเลยที่บ้านเราเข้าไม่ได้สีมาที่สองสมมุติโดยแม่ชัดนิมิตทั้งหลายดุะการทั้งบวกสวดไปเลยนะครับจันว่าหานิมิตไม่ได้อา่าอธิบานข้ 6, อหกตอนทั้งนิมิตทิศสูตจะดำรงอยู่ภายในหรือภายนอกก็ตามก็ใช้ได้นี่นะ่จาจําไว้นะครับตอนที่ทั้งนิมิตอะ่ะไม่ไม่เกี่ยวนะไม่าต้องเข้าไปอยู่ข้างในสีมาต้องเข้าไปอยู่ข้างนอกใช่ไหม พราะมันยังไม่ได้สมมุติหรอกจะอยู่ข้างในมีข้างนอกไม่ีปัญหาหรอก็กทางกันได้นะครับปัญหาแต่ตอนสมมุติเนี่ยจะดำรงอยู่ภายนอกเขตนิมิตแล้วส่วนสมมุติไม่ได้นะครับต้องเข้าไปอยู่ในเขตนิมิตนะแล้วก็ส่วนสมมุตินะครับถ้าดำรงอยู่ภายนอกส่วนสมมุติจันว่าสีมาอันสองอยู่ภายนอกเขตแล้วสมมุตินะครับเนี่นก็ทั้งหมดแล้วเข้าไปอยู่ภายในนั่นแล้วก็ส่วนสมมุติ อธิบายข้อเจ็ดถึงข้อเก้าะครับสีมาที่สมมุติในแม่น้ําเป็นต้นเหล่านี้จัดว่าเป็นสีมาที่สมมุติในแม่น้ําในทะเลในสระธรรมชาติก็สีมานั้นแม้สองสมมติแล้วอย่างนั้นย่อมไม่เป็นสมมุติเลยเพราะพระบาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแม่น้ําทั้งปวงไม่ใช่พัทธสีมาคือไม่ใช่สีมาที่จะมาผูกใช่ไหมไม่ใช่พัทธสีมาที่จะมาผูกทาเป็นนิมิตอย่างนี้นะครับไม่ไมใช่ ทะเลทั้งปวงไม่ใช่สีมาศาธรรมชาติทั้งปวงไม่ใช่สีมาแต่เป็นอภัพตะ h ะสีมานะครับแบบหนึ่งหมายความว่าแม่น้ําที่ได้ลักษณะของแม่น้ําอย่างใดอย่างหนึง่งผู้วิสูตรแม้จะทังนิมิตทั้งหลายแล้วสมมุติขึ้นด้วยคิดว่าพวกเราจะกระทำแม่น้ํานี้ให้เป็นพระทาตุสีมาดังนี้ก็ยังไม่เป็นสีมานะครั บ, บหมายความว่ายังไม่เป็นพระทาตุสีมา แต่ว่าโดยธรรมชาติของตอนแล้วแม่นะเป็นต้นนั้นก็เป็นเหมือนพัทธสีมา ค, คือเป็นสีมารธรรมชาติแล้วนะควรจะกระทําสังกรรมได้พุ่งแห่งนะครับพอมาถึงสีมาแล้วโอ้หน้าเรียนสีมานะยากนะครับน่าจะเรียนจริง <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะวันนี้โมเราจะให้ช่วยสอนให้ได้นะครับเรสีมาสีมาครับถึงถึงมันยากนะครับ ยังมีนาทีปาสีมาสีมาฝั่งน้านะครับมีแปลกๆหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับตรงนี้น่ะคนทศึกษานะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังโดยย่ออยู่นะ <c oughs> สีมาที่สมมุติค่าเกี่ยวสีมาของพิสุาอื่นด้วยสีมาของตนนะครับชื่อว่าสีมาที่สมมุติค่าเกี่ยวสีมาด้วยสีมาคือถ้าในทิศตะวันออกแห่งวัดเก่ามีต้นไม้อยู่สองต้น คือต้นมะม่วงและต้นหนึ่งว่าต้นหนึ่งมีค่าครบเกี่ยวพลาดถึงกันละกันต้นมะม่วงและต้นว่าอยู่ใกล้ชิดกันเลยนี้ครับในต้นมะม่วงและต้นว่านั้นต้นว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของต้นมะม่วงนะครับและสีมาของว่าเป็นแดนที่พิสุจธ์การเอาต้นว่าไว้ภายในกําหนดเอาต้นมะม่วงเป็นิมิตรผูกไว้นะครับผมเขียนไว้ข้างล่างนั้นเห็นมั้งผ่านนะครับ ต้นว่าอยู่ด้านซ้ายมือนะที่เขียนขีดไว้ให้นะครับนต้นว่าอยู่ด้านซ้ายมืออยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับมะม่วงอยู่ด้านขวามือด้านทิศตะวันออกนะไอ้ตรงข้างหน้าที่เป็นเส้นขีดไว้นะครับอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะนะครับพิสูจน์ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกใช่ไหมเ้าจะสมมติสีมานะครับเอาต้นว่าเนี่ยอยู่ในเขตสีมาใ ช, ใช่ไหม แเอาต้นมะม่วงเป็นนิมิตครับเอามะม่วงเป็นนิมิตมมวกกินต้นว่าเข้ามานะครับนี่นะท <c oughs> ี่ไหนแล้วเนี่ยคั้นภายหลังพิสูจทั้งหลายจะผูกสีมาในวัดในวิหารซึ่งสร้างใหม่ในที่ตะ ว, วันออกแห่งวิหารเก่านั้นนะครับ <c oughs> จึงการเอาต้นมะม่วงไว้ภายในก็มันเอาต้นว่าเป็นนิมิตครับนี่เสร็จไร น, นะเอาต้นว่าเป็นนิมิตแทนนะครับแล้วต้นมะม่วงสึสมมาเป็นนิมิตใช่ไหม มาการไว้ภายในนะครับในที่แต่ ว, วันออกแห่งวิหารเก่านั้นจึงการเอาต้นมะวุ้งนั้นไว้ภายในกําหนดเอาต้นว่าเป็นนิมินแล้วผู่สีมากับสีมาย่อมคาบเกี่ยวกันอย่างนี้ะครัขบข้าวเกี่ยงหมายเพราะว่าที่สูบไม่นะสีลูกใช่ไงเข้าไปนั่งไม่ได้นะครับในบริเวณที่เข้าไปคาบเกี่ยวสีมานะครับก็เลยเขียน ว, ว่าให้มีช่องนิดเดียวเลยพาสีลูกเข้าไปนั่งไม่ได้ มันไปกินแดงสีมาอื่นนะครับเนี่ยแค่นิดเดียว <c oughs> นิดเดียวนะอันนี้แหละเขาเรียก ว, ว่าทาบเกี่ยวถ้าว่ามันกินแดงไปเยอะตั้งแต่สีลูปเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหม <c oughs> ไมันก็จะได้ ว, ว่าทับครับสีมาทับสีมา <c oughs> แต่มันก็ได้ไม่ไม่ได้คนระไม่ได้เกันเนี่ขนาดนิดเดียวเนี่ยไม่ได้เลยครับถ้าเยอะนี่ไม่ได้เนี่ยันเขาใช้ไม่ได้กันเพราะฉะนั้นเขาเลยนิยมถอนก่อนเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าในสมัยก่อนมีใคร ไคมาสมมติสีมาไว้แถวนี้บ้างใช่ไหมครับเคยทําการถอนไว้ก่อนนะถอนเผื่อไว้ก่อนมีไม่รู้นะครับถอนเผื่อไว้ก่อนนะแล้วก็สมมุติขึ้นมาอธิบายข้อสิบเอ็ดนะครับสีมาที่พิสูจสมมุติทับนะทับไปเลยเนี่ยทัาสีมาของพิสูจน์หลักอื่นด้วยสีมาของตนชื่อว่าสีมาที่สมมุติทับสีมาด้วยสีมาขยายความว่า ถ้าการเอาพระตัศนสีมาของวิสุทธิ์าชอื่นทั้งหมดนะครับเนี่ยนะเอาพระตัศนสีมาเขาทั้งหมดเลยเอาจจะสมมุติคล้องไปเลยนะครับสีมารเราใหญ่กว่าใช่ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยนีย่มาทาไปนะครับหรือบางส่วนกแล้วแต่คือส่วนหนึ่งซึ่งพวกวิสุทสามารถดำรงอยู่แล้วการทากรรมได้คือวิสุทสีรูปสามารถเข้าไปอยู่ได้ที่ไปทำเขานะไว้ภายในแล้วสมมุติสีมาของตน สีมากับสีมาย่อมทับกันครับแต่ถ้าในส่วนใดน่ะที่เข้าไปทำนะพวกวิสุทธิ์สีรูปไม่สามารถดำรงอยู่แลกกับทำกรรมได้พวกเธอได้กระทําส่วนเช่นนั้นไว้ภายในแล้วผูกไว้ย่อมชื่อว่าย่อมข่าเกียรติสีมากับสีมานี้ชื่อว่าฆ่าเหยื่อยังไม่ชื่อว่าเท่าสีมาด้วยสีมาสีมาครั้งสบิบเอย่างนี้ไม่จําเป็นพัทธสีมาครับ ใช่ไหยังเป็นเท่ากับธรรมเขตเท่านั้นกรรมที่สงนั่งทำในสีมาเหล่านั้นถ้าไม่ได้ชาระพิสูจนในธรรมเขตให้ดีไม่ได้ให้ข้อธรบัตใช่ไหมหรือไม่ได้นำฉันทงังนาครับย่อมเสียเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วย อ, อาการสิเบตเหล่านี้ก็จบเรื่องสีมาครับยอมมานั่งฟังได้หรอือ อ๋อป้าต้อยอ่นนะอยากจะให้โยมสํานักเราขึ้นมาเรียนตั้งนานแล้วนะอันนี้ยังใกล้จะจบแล้วนี่เพราะถ้าได้เรียนแต่ต้นนั้นดีนะจะได้ช่วยเหลือประสงค์ได้ด้วยได้รู้เรื่องวินัยอะไระลายอย่างได้ทําถูกครับเพราะการเรื่นนองสายไฟฟ้านี่เดี๋ยวจะต้ได้หายยังไงอ๋อสายไฟฟ้านี่ไม่ได้ครับไม่ไดเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวถ้าเรียนสีมังค์จะพูดถึงมีกลิ่นไ ม, ม้อะไรมาเกี่ยวพันกันนะครับ รู้ว่าต้นไม้อยู่นอกสีมากิ่ง ม, มันอะไรมันเท้วันผ้าลงมาในสีมานี้ไม่ได้ครับก็ต้องชำนาญออกนะไป ใ, ให้เนรกับปิยะอะไรออกไปนะครับเห็นไหมพอรักษาไฟก็เนี่ยส่งข้อผ้ อ, อ, อนั่นแหละครับใช้ไม่ได้พวกแกก็ไทั่วประเทศใช่ใช่ครับรรนั่นแหละของเราก็เลยต้องทําการออถอดสารใช่ไหมเวลาจะทําการของเต่อไปนะครับรร บ, รร บ, บริษัทวิบัตินะครับ ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิบสองอย่างคือบริษัทก็พิสูจผู้เข้ามาร่วมทํากรรมนหละนะนะครับบริษัทหนึ่งในกรรมอันสงจะตุวะนะครับสงสี่รูปนะเพิ่งทําพิสูจที่จะต้องเข้าทํากรรมมีหวดจํานวนเท่าไหร่ก็สีรูปนหละพวกเธอยังไม่มานะครับไม่มาด้วยนะเนี่ยพวกมาไม่ครบนะครับ ไม่นำฉันท่าของพิสูจนผู้ควรฉันท่ามาพิสูจที่อยู่พร้อมหน้ากันคันค้ า, าอันนี้ก็วิบัติใช้ไม่ได้มาก็ไม่ครบไม่มาใช่ไหมครับคนที่อยู่ในอัฐบาศก็ไม่ได้นำฉันท่านะครับคนนี้ไม่ได้เข้าอัฐบาตก็ไม่ได้นำฉันท่านะในคนที่อยู่พร้อมหน้าคันค้ า, า, า, านี้ใช้ไม่ได้เลยสองนะครับในกรรมสองจตุวังพึงทำพิสูจน์ที่จะต้องเข้าทำกรรมมีกตจํานวนเท่าไหร่พวกเธอมาแล้วนะครับมาครบแล้วนะสี่ลูปนะ แต่ไม่นําฉันทะของพิสูจน์ผู้ควรฉันทะมามีคนอยู่ในสีม้าหน่อธบัตใช่ไหมไม่นําฉันทะมาอันนี้ก็สียพิสูจน์ที่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านสามในกรรมสง์จะตัววักพึงทำพิสูจน์ที่จะต้องเข้าทํากรรมในเกณฑ์จำนวนเท่าไร่พวเธอมาแล้วนะครับนําฉันทะของพิสูจ์ผู้ควรฉันทะมาแล้วด้วยนะแต่พิสูจน์ที่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน มาเห็นด้วยการทํากรรมนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ชืียว่าบริษัทวิบัตินะครับวิบัติหรบริษัทตนะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเหมือนกันนะเปลี่ยนแต่สงจตุวัะที่เมื่อพวกสี่เป็นพวกห้าพวกสิบพวกยี่สิบนะครับที่ผมขีดมาให้ไงขีดมาให้นะครับผสี่ในกรรมอันสงปัญจวัคคุณทำพิสูจน์ที่จะต้องเข้าทํากรรมมันเป็นจำนวนเท่าไหร่พวกเธอยังไม่มา ไม่นําฉันท่าของพิสูจนผู้ควรฉันท่ามาพิสูจนที่อยู่พร้อมหน้ากันคันค้านห้าในกรรมสงปัญจะว่างพึงทำพิสูจน์ที่จะต้องเข้าทํากรรมมีหน่วยจานวนเท่าไรพวกเธอมาแล้วแต่ไม่นําฉันท่าของพิสูจนผู้ควรฉันท่ามาพิสูจนที่อยู่พร้อมหน้ากันคันค้านในกรรมสง์ปัญจะว่างพึงทำพิสูจน์ที่จะต้องเข้าทํากรรมมีหน่วยจานวนเท่าไร พวเธอมาแล้วนําสันท่าของพิสูจ์ผู้ควรสันท่ามาแล้วแต่พิสูจน์ที่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านจะในกรรมสงอันสงทศวรรษพึงทำละรบ้างนะมาข้อสิบเลยครับเหมือนกันในกรรมอันสงวีสติวัคนะครับพวกยี่สิบนะพึงทำมาข้อสิบสองดีกว่าเหมือนกันนะครับข้อสิบสองนะในกรรมสง์วีสติวัคพึงรม พิสูจน์ที่จะต้องเข้าทำกรรมมีอำหนดจำนวนเท่าไรก็ยี่สิบรูปนะครับยี่สิบรูปมันทอะไรครับอัปทานมันจริงทำได้หมดใช่ไหมตั้งแต่อุโบสถอาลลปฏติโม่ที่มาให้มัอัปทานก็ได้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะอันไห้ารูปเขาทําอะไรครับอุปผสมบทใช่ไหมอุปผสมบทในปัจจันตชนบทใช่ไหมครับประมาณนีะครับนี่ แล้วก็อะไรห้ารูปแล้วก็สิบรูปทํำอะไรสิบแล้วก็อุปสมบทในมัทธยมประเทศมัชฌิมประเทศนะครับครับแล้วก็สุดท้ายมีสติว่านะอภาร์นี่ก็มีสติมีสติว่าทํากรรมไม่ผู้อย่างเลยนี่ถือว่าอภารนะ์นะนะครับพ่สุทที่จะต้องเข้าทํากรรมมีจํานวนเท่าไหร่พวกเธอมาแล้วนะครับนำฉันท่าของพิสุทธ์ผู้ควรสัตท่ามาแล้วแต่พ่สุดที่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้า นี่กรรมย่อบวิบัติโดยบริษัทด้วยการสืบสอนนี้นะีเพียงหัวข้อนับ่านจะอธิบายครับอันนี้ไม่ยากหรอกต่อไปกรรมอสงค์จตุวคุณธรรมเป็นต้นในกรรมอสงค์จตุวคึงธรรมที่สุกกระตะสี่รูปนะครับนั่นจะอธิบายกระตะคะอะาตาือในคือคนที่ไม่ได้ถูกสงลงเขปณียกรรมใช่ไหอนะครั บ, รบไม่ได้เป็นปราชิตรอย่างนี้นะครับ แม่สุกลงเข็บปฏิยากรรมด้วยแม่นิปรานชิงด้วยเป็นต้นนะครับเชื่อปกติตา่าสีรูปเป็นผู้จะต้องเข้าทํากรรมนะครับปกติต่างนอกนั้นเป็นผู้ควรสันทะเพราะว่ากรรมนี้สีรูปทำงด้าใช่ไหมนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องเข้าสมาวก็ได้แต่ควรสันทานะครับสงทํากรรมแก่พิสุได้นะจะทํากรรมให้พิสุรูปไหนเห็นจะสวดปริวาใช่ไหมครับให้ใครนะ พิสูจนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องเข้าทํากรรมไม่ใช่คนทํากรรมและไม่ควรสันทะนะครับแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมที่สงจะสวดให้ท่านนะครับในกรรมสงปัจจวัคคุธรรมพิสุปกระตะห้ารูปเป็นผู้ที่จะต้องเข้าทํากรรมกระตะนอกนั้นเป็นผู้ควรสันทะเนี่ยเหมือนกันนะครับสทงทํากรรมแก่พิสูจใดพิสูจนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องเข้าทํากรรม และไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมไม่เช่นจุดะสมบทในมัชฌิมานะปัญญาปัญญาชนบท น, น, นะครับในกรรมมุนสงทศวรรษอินธรรมเหมือนกันเลยนะครับมาในกรรมมุนสงวิสติวัติอินธรรมพริกุปกาตายี่สิบรูปเป็นผู้ที่จะต้องเข้าทำกรรมประกาศต า, ตานอกนั้นเป็นผู้ควรฉันทา สงทำกรรมแกพ่พิสุใดพิสุนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องเข้าทำกรรมและไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมจะไมาดูคำอธิบายขั้นหน่อยนะอันนี้นะอถาธิบายกรรมวิบัติโดยปริสรบริสรัะเจ็ดในกรรมที่สงจะตุ ว, วัตพึงทำ <c oughs> สองพิสุสี่รูปนะผู้เป็นปกติต่างนะครับปกติต่างก็คือผู้ที่สงไม่ได้ยงว่า ไนะม่ได้ถูกสองอ่งฆ์วัต น, นะครับผู้ที่สงไม่ได้การไว้ภายนอกด้วยการงดอุโบุสถงดปวารณาพิสูจที่สงจงงดบดุญสถปวรณาก็หมายถึงพิสูจนที่มีอาบัติตัวนะครับและให้ไม่ยอมปลงนะเราจะไม่ยอมให้มลาลรุษบุญสถดปวรณาด้วยนะครับก็จะมีการง ด, รดปฏิโมกท่านะนะนะครับรูปนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ประกาศต่ตตาแล้วนะโดนสงงดนะครับบุญสวดปร ว, ดวปรณาม่ใช่ปกาศต่ตตาแล้ว หรือเพราะความเป็นลัทธินานาสังวาสนะครับลทัทธินานาสังวาสหมายถือว่าไม่ถูกยกว่างนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติต่างครับภิกสุผู้ถูกโยกว่นี่นะก็ถือว่าเป็นลัทธินานาสังวาสนะครับไม่น่างการ น, น, นี่ก็ไม่ใช่แปลกต า, ตานะครับอืผู้มีศีลบริสุทธิ์นะมีศีลบริสุทธิ์นะคือไม่ได้ต้องอบอัตประราชิกเป็นผู้จะต้องเข้าทํากรรม แต่ในกรณีที่ไปมุฒฐานะวิธีใช่ไหมเกี่ยวกับารออกนะการเรียนการออกมีปริวาสกรรมเป็นต้นนะครับแม้ผูดด้ทีบบ่ตั้งบัดสังคาติเศษกำลังประพฤติวุฒฐานะวิธีอยู่พึงทราบว่าไม่ใช่ปกติตาใช่ไหมแต่เป็นปริวาสิกะ ห, หรือมานักตามานักตาจาริกะก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ปกติตาหรอกจะมานักพัทธบาลเนี่ย แล้วก็ไปสวดให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะท่านกำลังแบบขึ้นวันอยู่นะต้องเก็บวัดใช่ไหมครับถึงจะเป็นคณะภูรากาใหคนอื่นได้นะเกี่ยวเรื่องปริวาลมันอับางนี่นะครับไม่ใช่ปกติตานะครับที่จะเป็นผู้อจะต้องเข้าทํากรรมโดยเป็นคณะภูริกาได้กรรมนั้นนะครับเว้นพวกเธอหมายถึงถ้าเว้นพิสุจน์ปกติตาดังกล่าวนะก็ไม่ใช่พิสูจน์ที่ว่ามา น, นะครับสีย่ย์ย่อมทําไม่ได้ ฉันท่าก็ดีปริสุทธิ์ทีก็ดีของพวกเธอย่อมไม่มานะครับเพราะว่าท่านต้องมาเลยนะสี่รูปมันต้องมาเลยจะมานําสันท่าปริรรรสุนนสสสสทธิ้ น, น, น, าา น, นงงี่ไม่ได้นะครับเช้นเราจะสวดปริวาให้ภารูปไหนเนี่ยสงฆ์ต้องครบองค์สี่ใช่ไหมสี่รูปใช่ไหมครับถึงจะสวยให้ได้บอกอ๋อไม่ว่างเนี่ยไปแค่สามพอผมจะมอบสันท่าใท่านคนเราก็ไปสวยได้ครัาเธอสามรูปนี้นะอยนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ไม่ใช่ผู้ควรฉันท่านะต้องเข้าด้วยครอบองค น, นะครับฝา่ายพิสูจที่เหลือนะครับสมงว่าจะครบได้สี่ลูกมันนะฝา่ายพิสูจที่เหลือถึงแม้จะมีประมาณถึงพันลูกถ้าว่าเป็นสมานะสังวาล น, นะครับไม่ได้ถึงสงโยวาล น, นะย่อมเป็นผู้ควรแก่ฉันท่าทั้งหมดทีเดียวนะครับนี่นะเพราะว่าเราไปให้สี่ลูกภาษ า, ามาทํากรรมได้แล้วใช่ไหมพิสูจที่เหลือก็เป็นผู้ควรฉันท่านันนะครับ จะมาเข้าร่วมด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาครับพวกเธอมอบฉันท่ะและปฏิสิทธิ์ที่แล้วจะมาหรือไม่มาก็ตามกรรมก็สําเร็จได้นะครับสองทำกรรมมีปริวาเป็นต้นแก่พิสูตใดพิสูจนั้นไม่ใช่จะต้องเข้าทากรรมใะ่ไทั้งไม่ใช่ผู้ควรแก่ฉันทะพิสูจนั้นที่เรียก ว, ว่ากรรมมารหับบุคคลบุคคลผู้ควรแก่เก่าที่สงสัยสวดให้ท่านนะ ไม่ใช่คนทำไม่ใช่บุคคลชนะแต่ผู้ควรแก่กรรมเพราะเหตุที่สงทำคนนั้นให้เป็นวัตถุรและกระทํากรรมแม้ในกรรมที่เหลือนะครับมีกรรมสงมันจะวัคคเป็นต้นพึงทำก้อนในนี้แหละคําที่บางอยา่างในการนะครับที่ได้เปลี่ยนเป็นสงปัจจวัคค์ก็อนสงพวงห้านะกับมันจะวัคคีนะครับแล้วก็ถ้าสาวก้ก็สงพวกสิบวิสติว่า ก, ก็สนสงพวงยี่สิบ ต่อไปนจนะต่อไปอัปปโรกนกรรมเป็นต้นถามว่าอัปโรกนกรรมถึงฐานะเท่าไหร่ยะติกรรมถึงฐานะเท่าไรยะติภุติยกรรมถึงฐานะเท่าไรยะติจุตกรรมถึงฐานะเท่าไรตอบว่าอัปโรกนกรรมถึงฐานะห้าอย่างยะติกรรมถึงฐานะเก้าอย่างยะติภุติยกรรมถึงฐานะเจดอย่างยะติจุตกรรมถึงฐานะเจ็อย่าง ที่ท่านจะอธิบายมันจะทำับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เขาท่านก็แตกประเภทออกนะว่ากรรมกัลยาแต่ได้เป็นกี่อย่างกี่อย่างมีฐานะกี่อย่างนะครับอัปโรนี่มีห้านะน้อยกว่าเพื่อ น, นครับฐานะที่อัปโรกักรรมถามว่าอัปโรกรัลกรรมถึงฐานะห้าอะไรบ้างก็หนึ่งโอสารนาโอสารนาแปลว่าการเรียกข้ามหมูนะครับการเรียกข้ามหมูนะ น, ะนิสารนาสองนิสารนา คือการขับไล่ขับไล่หรืลอลงโทษนี่นะนะครับแล้วก็พันดุกรรมนะครับพันดุกรรมคือการทําให้หัวโล้นอย่างนี้เลยนะครับตรงสั่เลยนะพันดุกรรมะพันดุก็นะครับหัวโล้นกรรมมากก็การทํามันบริกา ร, รตรงผมเองครับครับจะมีวิธีการบอกนะั่นเช่นโยมจะขอมาบวชบวชใหม่ใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องแจ้งผสมในวัดทั้งหมดเนี่ยสร้างนะครับว่าโยมคนนี้นะเราจะปรงผมให้โยมคนนี้นะครับก็ต้องแจ้งะสมในวัดทั้งหมดสร้างถ้าเนี่ยประชุมสงฆ์ได้ก็มาบอกสงฆ์นะครับปคนเยี่ประชุมสงฆ์เลยแล้วก็มาบอกการปรงผมเนี่ยว่าจะปรงผมให้โยมคนนี้นะคะนนรั บ, รบะะรเียวจะมีคําพูดบอกนะแต่ว่าถ้าประชุมสงฆ์ไม่นด้ไมนสะดวกใช่ไหมก็เรียบางปฏิ บ, บัติมากก็ไล่บอกไปเลยทุกองคในวัด หวอกนี่นะคนนี้ต้องการจะบวชนะหรือว่าจะปลงผมไม่โยมคนนี้นะครับจะบวชหรือถ้าไปไล่บอกก็ไม่สะดวกทำยังไงก็พาโยมแล้วเข้าไปในสีมาเลยครับแล้วก็กลงผ ม, มในสีมาอันนั้นไม่ต้องไล่บอกอี่นะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องไล่บอกนะครับทั้งโยพันตุกรรมพรหมทันนะครับนี่อ่านยาอันประเสริฐว่างไปบ้าง้วชหมครับทั้งกรรมลักษณะเป็นคําลบห้า กรรมลักษณะมายถือว่ามันมีลักษณะความเป็นกรรมไอ้สิ่งนี้นะมันมีลักษณะความเป็นกรรมอยู่แต่ก็มันไม่ได้เข้าทั้งสี่ข้อที่ผ่านมานะไม่ใช่โอสารนายิสาราาน า, ร า, าเป็นต้องแล้วก็มีลักษณะที่เป็นกรรมกันท่านเรียกว่ากรรมลักษณะสิ่งที่มีลักษณะเป็นกรรมถูกกาหนดว่าเป็นกรรมนะแต่ก็ไม่ใช่สี่อย่างนะัเป็นคำรบห้านะครับอปโลกนกรรมถึงฐานะห้านี้ปรนะมาดูคำที่บา โยงฟังไปก่อนนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นไรพ่อมาทีหลังถ้าเรียนตั้งแต่ต้นไม่แน่เข้าใจหมดแหละแต่นี beer. ้มาช้าใช่ไหมมาดูคำอธิบายนะครับก็ก็พอเข้าใจได้นะพอเริ่มคำอธิบายก็เข้าใจนะอาธิบายฐานนะอาปาโปลงกนกรรมอาราโลงกนกรรมหมายถึงว่ากรรมที่กระทําด้วยการบอกเล่าใช่ไหมบอกแจ้งเกิดประสงค์ให้ประสงค์สร้างนก็ แล้วก็ถามพระสงฆ์สาครั้งน่ะว่าพระสงฆ์เห็นชอบหรือไม่ชอบใจแกสงหรืสอสงนิ่งก็แสดงว่าสงเห็นด้วยอี่เรื่องปรโลกน ก, กรรมในข้อที่ว่าปรโลกน ก, กรรมย่อมถึงฐานะห้าอะไรบ้างคือโอสารานาเนี่ผมเขียนมาให้ตัวนี้การเรียกข้อมูลวิสารนาการขับไล่พันดุกรรมกระทําให้หัวล้นธรรมาทันอ่านยาอันประเสริฐ ทั้งกรรมลักษณะเป็นคํารบห้านี้คําว่าโอสารนานิศรนาานั้นท่านกล่าวไว้ด้วยความเป็นบทที่ไายรอกนะครับว่าโอสารนานิศรนาแต่ความจริงนิศรนามีก่อนโอสารนามีภายหลังมันต้องมีการําไลก่อนใช่ไหมถึงจริงมีการเรียกข้าหมูได้นะครับไม่ใช่เรียกข้าหมูเลยแต่ท่านเอากับเรียกข้าหมูขึ้นก่อนเพื่อให้บทมันไพเราะสมบสรณ์ขึ้นนั่นนะครับนี่ เช่นในขับไล่เนี่ยนั่นจะบอกนะขับไล่สมณะเนี่ยที่เปมิใช่ฤทธิ์นะครับขับไล่นีก็ดูตัวอย่างได้เลยนะครับนิสสารนาและโอสารนาขับไล่ใละเรียกข้อมือนะในสองอย่างนั้นทันต ก, กรรมนาสนะนะครับการทําให้ถิมหายนะด้วยการลงโทษนะครับที่สองทำแก่กันตะกะสมณะนนที่เราเดียวผานมาให้ไปอีกตีแหละแกปมิใช่ฤทธิ์ใช่ไหมครับ ก่าวจ้วงจากพะพุทธเจ้านะครับพึงทราบว่าเป็นนิสสารนาแปลว่าการขับไล่เป็นวิธีการลงโทษด้วยวินัยกรรมเพื่อให้สำนึกผิดนะครับขับไล่นะไม่ได้ว่าขับไล่ให้แกเสื่อมเสีย่หน้านะครับเพื่อใแกสำนึกในความผิดนั้นได้นะแกได้นะครับหายเย่อหยิ่งนะประพฤติแก้ตัวนะครับทออําคือวินนี้นะแล้วผสมก็จะเรียกข้ามุ่เ ม, มเดิมแต่นี่ทาไม่ดีต้องมีการลงโทษ ก, ก่อนนะครับ เพราะเห็นนั้นในบนัดนี้ถ้าแม้มีสา ม, มเณรกล่าวโทษพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยควรเป็นสมมนามเณรแท้ๆนะแต่มากล่าวโทษติดเสียพระพุทธเจ้านะครับท่าทัมหรือพระสงฆ์แสดงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรใช่ไหมสิ่งที่ไม่ควรกแส่จำแนนว่าควรนะครับเป็นผู้มีความเห็นผิดนะครับประกอบด้วยอันตารายอกาศทิฏฐิตกไรไม่ให้นะคืออะไรบ้างทิฏฐิที่มีการถือส่วนสุดนะครับ เรามาดูนะครับของที่มาข้างหน้าทายาสินห้านะครับประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี่นะนะครับทิฏฐิสิบอันถือเอาที่สุดว่าโลกเที่ยงสัตโตโลโกนะครับโลกข้อหมายถึงว่าหมุนสั่นหรือว่าขันธโลกนะเขาถือว่าเที่ยงยั่งยืนไปอมตะไม่แก่ไม่ตายหมายถึงว่ามันมีอากาตัวตนชีว่าอยู่ในเนี่ยน ะ, ะถือร่างกายแตกดับใช่ไหม แต่ตัวตาชีวาที่เป็นสัตร์เป็นชีวะเนี่ยมันจะเที่ยงนะคัย่างยืนนะมีตลอดใเรื่อยนะครับโลกไม่เที่ยงนะครับอัออสสัตตโตโลโก้เขาเว่าขาดสูงนะครับสัรนั้นมีใช่ไหมพอตายแล้วก็รู้สึกเสี่ยงขาดสูงเลยนะครับชีวะอัตตานี้ยขาดสูงหมดเลยนะนี่นะครับอันนี้ก็ผิดไม่น่าโลกมีที่สุดนะครับอันตวารโลโก ล่องมีที่สุดเนี่ยก็หมายถึงขนนันนะถึงเขาเหมือนเดิมนะหมายถึงขานหมายถึงสันรองครับมีที่สุดไหมเพราะว่าขาสูงนะครับเวียนว่าตายเกิดไปนะถึงชาหนึ่งระยะหนึ่งแล้วก็มันก็จะขาสูงไปเองนะครับมันจะมีใช่ไหมทิศถี่บางทิศถี่นะครับบอกว่าถ้าเวียนว่าตายเกิดไปถึงชาหนั้นชาหนีนช้ชาโน้นนะแล้วก็มันจะสิ้นสุดนะครับหรือพอไปเกิดในพอบภูมินั้นนะ่ะ มันก็เจะสิ้นสุดนะครับขาดซูนในภพภุมนั้นก็มีนะหรือบอกว่าขาดซูในภพชาตินี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เชื่อฟังถือว่าโลกมีที่สุด น, นี่ก็เป็นเลยเปเชื้อทิใช่ไหมโลกไม่มีที่สุดนะครับก็จะมีการเรียนว่า้าตายเกิดเรื่อยๆนะคือสัน่นะครับสั่งขันเนี่ยสั่งมีจริงแล้วก็จะมีการมี้ยว้าตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไปเรื่อยๆ นี่เขเป็นพคตรสติแตกพิถีแล้วไม่แตกไม่ดับไม่มีการแตกดับนะมัน ย, าย่างเย็นมาตกล่ดเล่นเกลี้ยงเลนมันีสิ่งสุดนชีพอันนั้นสรีละก็อันนั้นเนี่ยอัตตังชีวังตังสติละนะครับชีพก็อันนี้นะครับมันก็ว่าไอ้สติละร่างกายกับตัวชีว์่าอัตตาตัวตนนะมันเป็นอันเนียกันถ้าร่างกายนี้แตกดับตายปุ๊บนก็ขาดสูญไปเลยมันไม่มีอะไรนะ เนี่ยไม่ใช่ที้ถี่ด้เขาเห็นผิดว่าอย่างนี้นะครับขเขาไม่ไม่รู้นะเชิดเป็นอย่างเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นนะครอันยังชีว์วอันยังสรีลังมื่อคนละอย่างกันสิรีร่ร่างกายก็ก อ, ะะอย่างหนึ่ ง, ง, าา ง, งใช่ไหมนะแต่ตัวชีว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนะครับซึ่งอาศัยสิ่งในอยูร่างกายนี้ถึงร่างกายจะแตกดําผุเผาเน่าเปื่อยอะไรไปนะแต่ตัวชีวานั่นจะไม่มีวันแตดกดำไม่มีวันสูญสลายไปเลย มันก็จะปญหาที่เกิดแล่นหาพบไปเรื่อยๆนี่นะครับเนี่ยมิฉนี้ที่นะสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกนะครับโหติฏฐานตัวตปาารรมารมมรณานะครับเนี่ยตายแล้วก็เป็นอีกเกิดอีกนะนะครับเป็นมิฉะนิ้ทียังไงก็เป็นมิฉะนิ้ทีที่ว่ามีสัตว์เนก็ยังสัตว์ บ, บุคคลอาตาตัวตนเราเขาไม่มีใช่ไหมมีแต่ครั้งห้าเอสน่าสิบสองเป็นต้นนะครับ มีแต่ขันธ์ธาอิจนานั่นไม่มีสัตจริงนะครับแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่นี่เขาเขาถือว่ามีสัตว์จริงนครับสัตวบุคคลมีจริงแล้วก็จะมีการตายแล้วก็มีการเกิดอีกนะสัตเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกนะครับหน้าโหติตาขตโตปรังมรณาก็หมายถึงขาดสูญกัเลยสัตเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีอืมนะครับ ไม่ตายตัวไงเป็นอีกก็ได้มีไม่เปดี ก, ก็มีแล้วแต่โหัวติดจ่าณจ่โหัติดกถาถ้าโตกล้ามรมณ์อันนี้มิฉันทิทิทั้ทงนั้นครับนะ <tes al> ข้าจะพูดว่าถ้าหน้าตายจากภพชาตินี้แล้วก็ยังเป็นอีกแต่ถ้าไปเกิดนู่นไปเกิดเป็นในาวาสัญญาแใช่ไหมตายจากภพชาตินั้นก็จะไม่ต้องเกิดอีกนะอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นวิฉนิทิสันเรื่องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ ย่อไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้นะครับอันนี้มเกไม่รู네้จะเอายังไงเขาเรี่ลัทธิของสันชัยใช่ไหมลัทธิปลไหลนะครับไหลไปเรื่อยนะไม่ตายตัวนะครับนะไม่ตายตัวไม่รู้ว่าแกจะเอายังไงกันแน่นะครับเนวะโหตินันัโหติตถาคตโตปรังมรนาแต่ก็สุว่าเป็นฉันิทิธรรมนะครับจะอยู่ในอุเฉชาสุตตานะไม่พ้นจากนี่นะครับ ไฟแรกต้องการอดีตประเดี๋ยี่ทํามนะเปตรงนี้อยู่ในอะไรนะพรมชาลาสูต ร, รหรือว่าสามัญญผลสูตรผมไม่แน่ใจฮนะสองสูตรน่ะนะครับน่าจะอะไรสามมัญญผลสูตรใช่ไหมนะนี่สามมัญญผลสูตรไปดูกําลังกันนะครับว่าทั้งจากที่บารมีพิธามทิพตีทั้งนะหลายนี่มาจากอะไรก่อนมาจากอัตตานุทิพต์ของเรา พาเห็นผิดว่าเป็นอัตาตัวตนก่อนนะตอนแรกมันมีหนึ่งคือตัวนี้นะครับเมื่อเห็นผิดว่าเป็นอาตาตัวตนล้วมันก็แตกเป็นสองว่าตาตัวตนนั้นเที่ยงหรือว่าตาตัวนึงก็ขาดสูงนะครับแล้วก็แตกไปใหแย่ๆมากมายตอนแรกมาจากตัวนี้ก่อนนะครัอตอาจารย์วิธีถีบศัลยะที่เถียนตัวเดียวกันนะแล้วก็แตกเป็นตา่างฉิท่อนนี้กลับมานบเนี่ยสมเนีจเป็นมิจฉาทิพย์อย่างนี้นะ สำเนนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงห้างกราก็เลยว่ากลวาวสั่งเตือนนะให้สลักความยึดถือนั้นเสียถึงครั้งที่สามหากเธอไม่ยอมสลักพึงให้ประชุมสงนมกล่าวว่าจงสลักเสียเนี่ยก็มาเตือนในถ้ำกลางโศกนี่ให้แกสลักนะครับหากเธอไม่ยอมสลักยังยืนยังยึดถืออย่าง น, นั้นนะพิสูจผู้ชนาะพึงทาง อ, อปรรกกนกรรมขับวให้เธอครับ ไล่ไปเลยนะครับก็แลงกรรมอันที่สูนั้นะึงณําอย่างนี้ว่าสังคังพันเตปัญชามิอายังอิทันนาโมสามะเนโรพุทธคศธรรมศสังคศศอวนาวาทีมิฉาชิฐิโกยังอันเยสัมะเนราลพันติทิรักตติรักตังทิขุหิตสันติงสาเสยยมตัสอาภาญะนิสารณารูุ้จติสังคสาติ ทุติยมปิตติยมปิพันเตสังคังบุญชามิอายังอิทันนาโมสัมเมเนโรพุทธะไปรุจติสังคัสติจาระิกเดวินาศครั บ, บ, บท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถามสงว่าสมมเมนยชื่อ น, นี้มีความเห็นผิดมกักกล่างโทษพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมมเมนยเราอื่นย่อมได้าการนองร่วมกับพิสุทิ์ทั้งหลายสองสามคืนอันใด การขับไล่เธอเพื่อไม่ได้การนอนร่วมนั้นชอบใจสงหรือเนี่ยถามประสงค์นะครับไม่มานอนร่วมอลไกับพระนั่นนะถ้ามุเจริญนข้าพเจ้าขอถามสง์เป็นครั้งที่สองลนะครับถ้ามุเจริญนข้าพเจ้าขอถามสง์เป็นครั้งที่สามว่าสมมาแนนที่นี้มีความเห็นผิดละนะครับการขับไล่เธอเพื่อไม่ได้การนอนร่วมนั้นชอบใจสงหรือ เจ้าคนเสียเจ้าจงไปเสียเจ้าจงฉิบหายเสียนะครับโดยสมัยอื่นนะอันนี้เมื่อสมเนินนั้นถูกพระสง์รงกรรมแล้วนะครับแถวาสำเร็จได้นะโดยสมเนินอื่นโดยสมัยอื่นสมเนนั้นขอโทษว่าท่านบุญเจริญข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพราะความเป็นผู้เเขาเพราะไม่รู้เพราะเป็นผู้ไม่พิจารณาข้าพเจ้านั้นขอขมาต่อสง์ ดังนี้พึงให้เธอขอถึงครั้งที่สามแล้วถอนด้วยอัปล ก, กนกกรรมนั่นแหลเมัอเขาสารภาพยอมรับผิดกระทําคืนครับหาเยื่อหยิบขึ้นแก้ตัวมาขอขอมาต่อสงฆ์นะพระสงฆ์ก็จะถอนให้ก็แลสมมเนยอันพิสุททั้งหลายพึงถอนโทษอย่างนี้พิสุทผู้ชลาดพึงสวดประกาศในท่านกลางสงฆ์เพื่อขอมันจากสงฆ์มากสังคังพันเตปุชามิ อยากอิทฐานาโมสัมมเนโรพุทธะสัทธมัสสะสังฆะอวานนาวะทีมิจฉาทิติโกยังอันเยสัมมาเนราพันติภิกขุหิสัตถิงธรตตาจิตระตังสาเสยังตัสสะอาลาพายะนิสาริโตสวะหังอิธานิโสระโตนิวะตะวุติราชิธรรมังโอกันโตหิโรอดตเปปติติโต กตะทันดะกโมอจายางเทเสติอิมัสสัมมเนระสายาถาบุเรการยะสัมโพคัสามคคิทานังวิจติสังคัสติท่านบุญเจริญข้าพเจ้าถามสงฆ์ว่าสัมมเนยชื่อนี้มีความเห็นผิดมักกล่าโทษพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันสง์ลงโทษแล้วเพื่อไม่ได้การนอนร่วมกับวิสุทเท่าไหร่สองสามคืนซึ่งสัมมเนยเหล่าอื่นได้บัดนี้สัมมเนยนี้นั้น ยินดีแล้วในความเห็นอันดีงามประพฤติเจียมตัวอย่างลงสู่รลชีธรรมแล้วตั้งมั่นในหิริอตตปะแล้วได้ทำธน ก, กรรมแล้วสารภาพโทษอยู่การให้ความพร้อมเพียงด้วยการสมโพธมีการนองร่วมเป็นต้นเหมือนในการก่อนแก่สมัยนี้ชอบใจแก่สงหรือครึ่งส่วนนี้สามครั้งเหมือเดิมอัปโลกนังกรรมย่อมถึงโอสารนาและนิสารนาด้วยประกาศชนีนะครับเนี่ยนะ อัปโยกนกกรรมที่เป็นการขับไล่และการเรียกเข้าหมูก็เป็น น, นะครับก็ขับไล่สมนิย์ที่เป็นอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็เรียกการเข้าหมูทําด้วยอัปโยกนกกรรมนี้ใช้ได้นะครับต่อไปพันดุกรรมนะครับพันดุกรรมมันติพันดะมุนดะกระนังบทว่าพันดุกรรมังแปลว่าการทําให้หัวโล้นเนี่ยอ่าปับพระชาไปิกขาสะเกศสันเชสนาบุญนามพันดุกรรม น, นามะ ที่ชื่อว่าพันดุกรรมก็ได้แก่การบอกกลาวของอนุญาตลงผมให้แกผู้ที่มุ่งต่อน ป, ประชาะครับนะทำไมนะแค่หน่าจะบัวต้องแจ้งพัะสงฆ์างด้วยครับมันเพื่อประโยชน์อะไรก็คือสมัยก่อนนะมีใช่ไหมลูกช่างทองอยู่คนหนึ่งนะครับแกไว้ผมอยู่ห้าแหยมด้วยกันนะมันก็โปรืตว่าจะมีผมเป็นแหยมห้าแหยมนะครับและแกทะเลากกับบิดามารดา พอเราการ บ, บิดามนาแก้หนีออกจากบ้านมานะครับเข้ามาถึงว่ามาขอพิสุท่องหลายในบวชให้พิสุก็เลยบวชให้แกนะครับพอพิสุบวชให้แก่นะเนี่ยไม่ได้รู้กันทั้งวัดใช่ไหมนะพ่อแม่ก็มาตามหาตามเรื่อยจนเข้ามาถึงวันนะครับก็เลยมาถามนะว่า เ, เนี่ยเห็นเนี่ยเด็กชายที่มีลักษณะอย่ า, นายนงนี้อย่างนี้อย่างนีหมเห็นชายหนุ่มที่มีลักษณะนี้อย่างนี้ไหม ที่สูจที่ไม่รู้นะครับท่านไม่รู้จริงๆนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งสร้างทั้งหมดว่าท่านก็บอกไม่เห็นนะไม่เห็นเลยว่าเด็กคนนี้ไม่เห็นเลยนะครับเขาก็เลยตามหาในวัดจนทั่วก็ไปเจอเข้าววดีว่ามาบุยมาบุยอยู่ในวัด น, นี่เอ <c oughs> งนะครับก็เลยติดเตรียมพิสู่นหลอกนั้นนะครับติดเตรียมว่าไงเป็นพวกกล่าวเท็จทุสีน <c> ะ <oughs> ว่าหนังนสมัยก่อนน ะ, ะยอมวาดผ้าในหูหนักเลยนะครับอันนั้เป็นผู้ทุ พูดแท่นทุศีมณานครับว่าหอย่างนะนะครับพระสงฆ์ก็เลยสอ่งอนุญาตให้บอกเรื่องการปกครอนะมีพระบาลีว่าอนุชาณมิติคเวสังคังอัปปโรเกตุงพันุกรรมายะพิสูทข์ทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกกล่าวพระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พันดุกรรมคือการปกครอวิธีการบอกกล่าวในพันดุกรรมพันดุกรรมมาทิการนั้นดังนี้ เพินมนต์พิสูจน์ทั้งหลายผู้นักมือในสีมาเดื๋ยกันให้ประชุมกันแล้วก็พระในวัดทั้งหมดครับมาให้ประชุมกันนำบรรพชาเปิดขาผู้มุ่ประชาไปที่ประชุมสงฆ์ครอบบนรดาบทเลยนะให้มันประชาเปิดขาอยู่นอกทาบานนะครับเพราะเป็นโยมใช่ไหมยังไม่ได้บวชเป็นหน้าที่นอกทาบานก่อนนั้นแล้วบอกสามครั้งหรือสองครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้ครับโดยใช้คําพูดอย่างใดอย่างหนึ่งในคำเหล่านี้ว่า สังคังพันเตอิมัสสะทารักษาพันดุกรรมังอาปุชามิถ้านบุตเจริญข้าพเจ้าบอกพันดุกรรมของเด็กนี้กัสสนะครับอิมัสสะารักษาในบทเป็นเรืก็ตองบอกนี่นะครับอิมัสสะทารกษาพันดุกรรมังอาปุชามิข้าพเจ้าบอกพันดุกรรมของเด็กนี้อิมัสสะสมมนากรณังอาปุชามิข้าพเจ้าบอกสมมนากรของเด็กนี้ อิมัสสะปัพาฉะนัมอาปุชามิข้าพเจ้าบอกบรญบาาของเด็กนี้หรือพูดอย่างนี้ก็ได้อายังสะมนโนโหตุกามโมเด็กนี้อยากเป็นสมณะเนี่ยอายังปัปะชิตุกามโมเด็กนี้อยากบวชนะครับก็ได้ทางนั้ น, นะ น, นะครับความจริงกรรมตัวนี้ไม่ทำในสีมา ก, ก็ได้นะแปลนะครับเป็นสังฆกรรมพิเศษผมเขียนมาให้นะซึ่งไม่ต้องทำในสีมากก็ได้ทุกกรณีเลยนะ ไม่เหมือกรรมอย่าง อ, างอื่นนะอย่างอื่นเนี่ยต้องเข้าสีมาเหมือนถ้าเป็นสารกรรมสี่อย่างนี้นะครับแต่เกียรพันธุกรรมเนี่ยไม่ทําในสีมาก็าได้ <c oughs> อุปชานะครับผู้ซึ่งจะปร o งผมให้เองเนี่ยพึงเข้าไปหาพิสูจน์ที่อยู่ในเขตสีมาเดียวกันแล้วบอกเล่าด้วยตนเองนะครับด้วยคําดังกล่าวคําใดคําหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะหรือนะครับสมมตว่าเราไม่ได้ไประชุมสองใช่ไหม ก็ไปไล่บอกพระตากรุตินะครับไล่บอกให้หมดเลยไม่ได้เป็นผ้สงฆ์นะหรือไม่ได้ไปเองนะครับอุปชาไม่ได้ไปเองนะจะวางพวกวิสุนุ่งหรือเหล่าสมณะหรือแม้ขลหัสนะครับไปบอกแทนก็ได้ไม่เป็นไรว่าคนนี้มีเด็กคนนึงเขาจะบวชใช่ไหมจะปกครองไม่เขาแล้งนะครับออืยกไว้บรปชาเปกคนเดียวนะครับใช้คนอื่นได้ทั้งหมดแต่จะใช้หน้าที่จะบวชนําไม่ได้ ให้ไปบอกดูนายเป็นต้นว่าถ้ามึงจริญ ม, มีบรรพชาเปรคือคนมุ่งบรรพชาอะไรแปลงอยู่คนหนึ่งผมบอกผู้พวกผมบอกขันดุ ก, กรรมของเขาดังนี้ก็ควรนะครับก็เราก็ใช้มูปสิเยอะใช่ไหมก็ใช้ให้ไล่บอกแบ่งกันไปนะครับไล่ไมุ่งมั่นเลยถ้าพิสูจบางพวกเข้าสู่เสนาสนะหรือผู้มารเป็นต้นลอ ำ, นำอยู่ก็ดีทําสมณธรรมอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าก็ปีวิเวกไปใช่ไหม อยู่ในเสซนาสนาหรือที่ดิกแเลนนี่ น, นะครับเข้าไปทําสมณะทำหรือไปหลับก <c oughs> ็ได้ม <c oughs> ีนะฝ่ายผู้บอกเล่านะครับที่ตามบอกนะแม้ที่จะตามหาก็ไม่พบเพราะว่าเข้าไปในที่เลนจึงมีความสําคัญว่าเราบอกหมดทุกรูปแล้วนะครับขึ้นชื่วบับาร์ชาเป็นกําเบาเพราะเหตุ น, น, น, บบ น, นั้นบัมบาร์ชาเปรตนั้นบวชแล้วเป็นอันบวชด้วยดีทีเดียวนะครับไม่เป็นอาบัติแม้แก่อุมบาร์ชาผู้ให้บวช นะครับแต่ถ้าให้บวชโ ด, ดยไม่บอกเล่าเลยย่อมไม่ควไม่ได้เลยนครับต้องบอกเล่าแต่ถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกบางพวกเพราะเราเข้าใจว่าบอกไปแล้วอันนี้ไม่ได้ทำกรรมอะไรให้เสียนะครับเพราะตัวนี้เป็นกรรมเบาไม่หนักอะไรครับของว่าเราเป็นยังไงทำเป็นยังไงถ้าไม่ได้บอกกลางก็ต้องพากองผมในสีมาครับส่เนีหยก็จะทํากันอย่างนั้นนะพานหน้ากองผมในสีมา แต่ถ้าวัดที่อยู่ใหญ่เราะเป็นวัดใหญ่มากนะเป็นที่อยู่ของพิสูจหลายพันเลยเพียงเจนิมอนพิสูจน์ทั้งหมดให้ประชุมกันก็ทําได้ยากอย่าว่าแต่พันแล้วเลยแค่สองร้อยนี่ก็โหหน้าดูแล้วใช่ไหมร้อยสองร้อก็น่าดูแล้วนะครับอันนี้เป็นพันนี้ไม่ต้องพูดถึงไล่ บ, ลบ่งลำบากเลยนะทะํางานหลักจะประชุมสองนี่ก็ยิ่งลําบากเลยนะครับไม่จําต้องกล่าวถึง บอกเล่าตามรนดับแค่ประชุมสมว่าลำบากแล้วจะไปไล่บอกตามมูลตรีได้ยิ่งหนักเลยนะครับเพิ่งให้เข้าไปอยู่ในขันทาสีมาก็พาหน้าเข้าไปในสีมาเลยหรือไปสู่แม่น้ำทะเลเป็นต้นก็ได้ที่เป็นสีมาธรรมชาตินะปลงผมให้แล้วจึงให้บวช น, นะครับฝ่ายผู้ใดเป็นคนโกนผมใหม่แก้ขึ้นปลงผมใหม่ๆนะหรือสึงออกไปใหม่ๆต้องการจะกลับมาบวชอีกนะครับโอ้นะ พอตอนแรกกับครั้งจะสึกจืด ส, ส, สึกพอสึกไปปุ๊บว่าโอ้ยเสียใจนะครับโอ้ยเราไม่น่าสึกเลยเนี่ยก็เลยกลับมาบวชใหม่นะครับทั้งที่เพิ่งตรงผมนะหรือเป็นคนใดคนหนึ่งในพวกหน้าบัวชมีนิครองเป็นต้องนะครับมีผมเพียงสองคุลีไมายางนี่ยแค่สองข้อนี้นะครับหรือย่อนกว่าสองคุลีกิจที่จะต้องตรงผมของคู่นั้นไม่มีไม่ต้องไปปองผมอีกนะครับก็ให้เข้าบัวชได้เลยนะ ไม่ใช่ผมปวก็ต้องปองผมปวดก็ต้องป ง, ผ ม, ง, ปงผมหมไม่จําเป็นนะครับเราดูว่าผมแกยานหรือเปล่านะถ้าแกปลงผมแล้วผมยังไม่ยางอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บวชให้ได้เลยะครับต้องที่ต้องเป็นแนวที่ผมจะบวดเป็นผ้านะผมนี้ไม่ได้ปองผมเลยะครับผมก็เริ่มดําขึ้นแล้วนะจนไม่สองถึงสองคูรีแล้วผมไม่ปองผมเลยนะครับก็ยึดต็นผ้าต่อเลยรน ะ, ะได้ะครับอันนี้ไม่เสียยอะไร กิจที่จะต้องโปรงผมของคู่นั้นไม่มีนะครับเพราะเห็นนั้นแม้จะให้บุคคลเช่นนั้นบวชโดยไม่บอกพันธุกรรมก็ควรเพราะว่าไม่ได้ผมผมพอ อ, อยู่แล้วฝ่ายผู้ใดมีผมยาวเกินสองคูลีโดยที่สุดแม้ไว้ผมเพียงแยม้ยนะแยมเดียวนะครับใาจจะแย้มเดียวนะเป็นกลุ่มเดียวตรงนี้นะครับตรงไหนก็แล้วแต่ผู้นั้นที่สุด ต, ต้องบอกพันธุกรรมก่อนจึงให้บวชนะถึงแย้มเดียมันก็ต้องโปรงใช่ไหมก็ต้องบอก สมัยนี้เขาไม่นิยมใช่ไหมไว้จุกไว้เตียงไว้แยงอะไรเนี่ยไม่นิยมแล้วนะครับไม่รู้ยังมีที่ไหนหรือเปล่านะม่นจะถามก็เคยไปเจริญที่ที่ไหนนักศึกษาเครับมาเชียงใหมะอ๋อครับที่กรุงเทพนี่แต่ว่าเป็นเด็กกห้ยวัดนะพ่อแม่เขาไม่อยู่กรุงเทพเพราะไปเป็นดารหนังจะมีครับบางที่นะบางเชียงใหี่ จเียจบจีอืมไว้เปียนะครับเข้าจะมีพอมไปเด็กอายุถึงขนาดไหนเข้าจะโปรงผมปรงเปียนี้ไหมครับเป็นค้นการที่อืครับอันนี้ได้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าที่ันจกลําช้นดูไถ่าย่ทึสามต่อไปครับผมเคไปเจออีู่ไหนจําไม่ได้อครยเจอครับต่อไปพรมมัทันครับ ผมมทันตามสอบแปลว่าอ่ญยาอันประเสริญไม่ใช่ไม้ค้าของพระผมมู้มาไม้เ้าพมเมื่อพระผมอญานยานประเสริญ น, นะครับเป็นชื่อของการลงโทษอย่างสูงในพระพุทธศาสนา พ, พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ทรงลงโทษพระช น, นะใช่ไหมครับพระชนะเพะเป็นผู้ที่มานะทิฐิ ถ, ถือตัวมากนะเขาถือว่านะ ตามเสดพระพเจ้าออกมหาพิณสังคมมาแต่ตอนแรกใช่ไหมครับแกถือว่ากระยาที่สุดแล้วธรรดาสาวกเนี่ยนะพรแกตามเสร็จตั้งแต่แรกเนี่ยสมัยก่อนมีใครไม่เห็นหน้าไหนเลยมิแต่เล่าแลไรไปบ่อนแล้วจะมาว่ากล่าวตัางตัวได้ยังไงนะครับเนี่ยใครมาว่าอะไรแกไม่ได้แนละ้วแกก็ทําผิดอะไรบ้างนะครับใครมาว่าไม่ได้กลับคู่ตะเคาะอะไรว่าคนอื่นกลับนะนี่ครับเราะก็ถือว่าเขาใหญ่ที่สุดแล้ว จะเป็นตรงนี้ด้วยใช่ไมอาจารย์ว่าเป็นอ่เป็นอมากของของเจ้ารายฤาษามาโกมันือกรไอใช่ใช่เกี่ยวเลยนะนั้นคุ้งเคยใช่มั้เคยนะถึงพุทธเจ้าจำมียศขาบทไอนะครับติเตียนนะแกก็ยังทำเหมือนเดิมเพราะถือว่าเนี่ยคุ้งเคยที่สุดนะครับแค่นี้ถ้าลูกจ้าของเรานะออกเสด็จมหาทิ่เนี่ยสังคม สแสวงหาหมอกการทำจะได้ตระชรู้ใช่ไหมเป็นพระสมาสุตตะเจ้านะครับพระลูกเจ้าของเราแหละนะธรรมะก็พระลูกเจ้าของเราแหละเปนคนแสดงคนตระสรู้ใช่ไหมเขาถือว่าพุทธเจ้าเป็นของเขาธาตุธรรมโเป็นของเขาครับเพราะฉะนั้นมบรรดาสาวองเขา้ายากที่สุดจะมีใ <c oughs> ครมาว่าได้นะะก็เลยเนี่ยเป็นคนว่ายากไปครับแต่จะเจาะจองเฉพาะรูปเดียวนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ที่สุด พิสูจน์แม้อื่นใดเป็นผู้มีฝ่าร้ายนะครับเสียสีตะข้อ ค, มค่มขูพิสูจน์ทั้งหลายด้วยถ้อยคำหยาคายอยู่นะรับโอ้หนี่ยใครว่าตัดเยื้อไม่นานนะขู่ตะข้อเสียสีพิสูจน์ทั้งหลายนะครับนี้อ่อันนี้ใครยกตัวอย่างนี่นะ <c oughs> ว่าหอะไรเล้ครับ <c oughs> ต, ตอนนี้ไม่มีละเมื่อก่อนนี้เคยนะ <c oughs> แต่แรู้สึกว่านะครับเป็นโยมนะครับ สงพึงลงพรมทางแก่ปิสุแม้นั้นลงพรมทางน้านเองผู้ไม่งอนเว้นจากการข่มขู่ปิสุอื่นด้วยอาบัตที่ไม่ได้สอบถามบ้าง น, นะครับมันก็ว่าจะไปว่างคมขู่เขานะไมนได้สอบถามเขาต้องอาบัตไม่ต้องอาบัตเขาว่ากันเลยนะครับไม่ถือตามปฏิญญาบ้านแกไม่สา่ใจอยู่แล้วจะปฏิญญาแกจะว่าอย่างเดีนะครับไม่ยกอาบัตขึ้นบ้างแล้วไม่ต้องยกอาบัตขึ้นตรามเลยเอาประสมการณ์รวมกันมากกัน นะครับไม่ต้องสอบถามไม่ตอตามปฏิญญาไม่ต้องยกอามบาระว่าไปเลยนะครับด้วยอามแบบที่แสดงไปแล้วว่าถึงก็จะต้องอามแบบเขาก็โป่งแปลสแดงแปแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยก็ยังไปขู่ตะ้อว่าเท่านั้นไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรลงพ ม, มทันแก่ผู้ที่งกเว้นแล้วกําลังขอเข้ามาอยู่คอันนี้มันควรลงนะถ้าเ้าสมนึงผิดหน้างกเว้นของเข้ามาครับก็ไม่ควรที่จะลงนะอกจากคนที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ ก็แล้วพมบทันนั้นพึงลงอย่างนี้นะครับก็ประชุมสงเหมือนเดิมนะพิสุผู้ชลานึงสุประกาศเพื่อขออนุมทต์จากสงในข้ามกลางสงว่า <c oughs> พันเตอิธันนามพิคุมุขะโรพิคุพรรูตาว่าจะในาหิขเตนโตวิหารติโสพิคุยาอิเฉยยะตังวัเธอยะพิคุหนะิอิธนาโมพิคุเนวังวัตโภณอววัติตโภณอนุสาสิตตโภ สังคังพันเตปุชามิอินทันนามัสสะภิกุโนพรมมะมัทันตัสทานังนุจติสังคสาติทุติยมปีปุชามิตติยมปีปุชามิอินทันนามัสสะพันเตภิกุโนพรมมะมัทันตสาธานังนุจติสังคสสาติครับ <c oughs> <c oughs> ท่านผูเ้เจริญพิสูจน์เช่นนี้มีปากร้ายเสียสีตะเคาคมู่พิสูจน์ทั้งหลายด้วยถ้อยคําที่หยาบคายอยู่ พิสูจนั้นพึงลกล่าบคำที่ตนปรถนาจะกลา่าวหมายความว่านะครับพิสูจน์ชื่อนี้นะครับอันพิสูจทั้งหลายไม่พึงว่ากลา่าวไม่พึงตัดเตืเอนไม่พึงท้อสองนะครับแกจะพูดแกจะทําอะไรก็แล้วแต่ปล่อยแกไปนะครับตามปรถนาของแกนะไม่ต้องไปว่ากลา่าวตัดเตือนข้อสองะะ อ, อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ยุ่มอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่ไม่ทักทายไม่ไม่ต้องมองหน้าอย่างได้นะ แม้แต่เดินสวนทางกันเดินสวนกันนะก็จะไม่ไม่ต้องใส่ใจเลยครับพักกันเลยก็ไม่ต้องใส่ใจเลยไม่ใช่ไม่ต้องไปใส่ใจครับไม่ต้องใส่ใจไม่ให้หายใจไม่ต้องไปมองหน้าอะไรเลยนะคนไม่รู้จักกันไปเลยครับให้ทำขนานเลยนะท่านผู้เจริญนะครับข้าพเจ้าถามสงว่าการลพรมทางแก่บิสุชื่อนี้ชอบใจแก่สงหรือข้าพเจ้าถามเป็นครั้งที่สองนะข้าพเจ้า ถามเป็นครั้งที่สามว่าการลงพรมทันแก่พิสุชิ้นนี้ชอบใจแก่สงหรือสองนิ่งก็ชอบใจใช่ไหมการลงพรมทันนี้เป็นการลงโทษชั้นอุกฤษนะครับเพราะว่าเมื่อถูกลงตัดชนิยกรรมเป็นต้นก็ยังไม่มีการห้ามสุเท่ทายให้อว่าอนุสาเลยเนี่ยก็ยังอว่าอนุสาว่าเก่าวต่างเตือนกันย่นาได้อยู่นะถึ ง, งลงกรรมผู้นั้นะครับแต่ในพิสุผู้ถูกลงพรมทันแล้ว ยอมห้ามแม้การทั้งทางปลาใสด้วยนะครเดินสวนทางเดินสวนทางกันอย่างเงี้ยนะก็ทํำกับคนที่ไม่รู้จักกันเะครับไม่ทังทายปาใสนะครับกันครับนั่สมมุติว่าพี่สุพุรุณเป็นผู้มีความสามัญอยงนี้ครับเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มีคามรู้มากเนี้ยครับเราต้องไปชายไปถามเนี้ยเขามีได้่นเองไม่ได้เกิดอ๋อไม่นด้นะนะถ้าถึงขนาดท่านลมพรมทันนะแต่งว่าสิ่งถูกลมพรมทันแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับ มันก็ว่าตัเองก็ว่ายากมีทอดอยู่นะแต่ก็ไปด่าว่าเสียสีคนอื่ใครว่าหักเตือนไม่ได้นะว่ากลับคืนเข้าไปอย่างนี้น ะ, นะครับทัตถุนักพร่ำก็เกิดก็มันในานะแบบนีะครับทัวา์ว่าีิสุจะออกฐานนะครับครับแต่ว่าขับพิสุอีกรูปหนึ่งแล้วไปหาพิสุนะก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่ยนหะนักมากนะครับขนาดทางทายังไม่ให้ทักทายอะไรก็เรื่องสาระกานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครไม่ได้ท ไม่ได้ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยตใครที่มันทราบรู้ปข่าวเขาจะให้เป็นค่าบมีตโนมีเพื่อนนนี่เป็นเพื่อนไปอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเานที่ไปคุยมีโทษมีครับจะมีโทษเป็นอาบัตทุกกฎเป็นอาบัตด้วยใช่ครับเดียการจะบอกไว้นะลองฟังต่อนะครับจริงอย่างนั้นพีุู่ต้องหลายเห็นเธอแล้ว ย่อมไม่ทำอาการแม้สักว่าการแลดูนะครับทำเป็นเมินเฉยไม่รู้ไม่ไมชี้เดินผ่านไปเฉยใครก็ไม่รู้เดินผ่านนะครับ <c oughs> เพราะพระผ้าทรงอนุญาตพรห ม, มาทานนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การสุบุคคลเห็นปานนี้นะครับคนที่แบบว่ายากขนาดนี้นะอืครับเพราะเห็นนี้เองพาะช น, นะเถระแม้จะถูกลงอุเคปนิยกรรมเนี่ยขนาดถึยวงย่อมวัดนะ้วนะ ก็ยังไม่กลัวนะครับไม่กลัวเลยนะครับแต่เมื่อถูกลงพมทันเท่านั้นก็เป็นทุกข์อย่างหนักนะว่าเราเป็นผู้ที่ถูกสงฆ์ถูกทระสงฆ์เว้นขาด้วยประการทุกข์ปวดเสียแล้วถึงกับสลบล้มลงเลยทีเดียวนะเสียใจร่ำไม่ได้ครับส่วนพิสูตรูปใดรู้อยู่ก็ยังคลุกคลีไม่ยอมเว้นจากพิสูตรที่ดงถูกลมพมทันนะครับพึงถือว่าต้องบัตุกดนะนี้ไม่ได้เลยนะ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการลงพรมมทันก็จะไร้ประโยชน์ไปเพราะนั้นแม้ยุ่งเกีย่ยใครไปคุกคีไปยุ่งเกี่ยก็โดนนะครับ mm hmm. พิสูจน์ที่ถูกส่งลงพมทันแล้วเมื่อจะให้ส่งยินดีต้องมาพูดโดยชอบให้ยิ่งกว่าพิสูจที่ถูกลงกรรมอย่างถึงมินตัชนียกรรมเป็นต้นครับต้องมาพูดข้อวัดทําตัวให้ดีเลยนะคอยตามทวีสิ่งส่งนะครับแล้วก็มาขอเขามาเนี่ย ด้วยสมัยอุศงพุรงคบพรห ม, มาทานแก่พิสูจนนั้นผู้กป็นผู้ชอบและขอโทษอยู่ก็แลสงพุรังคบอย่างนี้พิสูผู้ชราพึงสุ ป, ปาการในถ้มกลางสงว่าพันเตพิกคุสังโคอสุกัสสะพิกคุโนพรมม่าังดังอาทานิโสพิกขุโสระโตนิวัตตาอุตติราชิธรรมะมาอกันโตหิรอดตเปปฏิทิโตปฏิสังขาอานิจติสังเวสิตถติ สังคคมพันเตปุชามิติสสะพิกุโนพระมัทันดสะปฏิปัสสัตธิลุจติสังคัสสาติท่านมุจเจริญพิสุสง์ได้ลงพมทันแก่พิสุนโนนพิสุนั้นยินดีแล้วในความประพฤติอันดีงานประพฤติเจียมตัวแล้วอย่างลงสูรชีธรรมแล้วตั้งมันในหีดิอตปาแล้วพิจารณาแล้วตั้งอยู่ในสังวรต่อไปท่านมุจเจริญเขาพเจ้าถามสง์ว่า การรับพรหมทานแก่พิสูจนั้นชอบใจแก่สงหรือพึงการอย่างนี้ถึงครั้งที่สามนะครับการรับพรหมทานเสีและกรับพรหมทานเสียด้วยอรกการมณกัณกรรมเลยนะครับก็ระงับด้วยอารมณหางสงสามครั้งเหมือนเดิมสงเห็นชอบก็สแสดงว่ากรรมก็หลุดนะครับอืมครับต่อไปนะครับกรรมลักษณะนะครับในวัตถุเหล่านี้คือ ก็โดยสมัย น, นั้นพิสุทธิ์เจ้ว่าคีเอาน้ําโคลนค ร, รถพิสุิณีทั้งหลายด้วยหมายว่าแม้เชนไหนพิสุณีทั้งหลายพึงจหมารักใครในพวกเรามันจะมีใช่ไหมผู้ชายบางคนอะแกล้งผู้หญิงนะครับเพื่อจะให้ผู้หญิงชอบตัวเองคี่ว่าจะไปแกล้งไปแย่เข้าเนี่ยใครได้ชอบเราองี้นะนะครับก็เลยทําอย่างนั้นนี่ขณะเอาน้ําโคลนสาใส่อะไรนะหนักเลยนะครับ เขาจะชอบมันจะเกียดมัดเลยเปิดกายบวชพิสุณีทั้งหลายบ้านนะครับอาจจะโชว์กายโชวกล้าโชวอะไรนี้นะครับถ้าหลบขาบวชพิสุณีทั้งหลายบ้านนะครับเปิดองค์ชาตแสดงแก่พิสุณีทั้งหลายนะครับโอ้นี้ลาโมองมากนะโชว์ขาอ่อนยังไม่เท่าไหร่นั่นเนี่ยเปิดองคชาตเลยนะครับลามมงจริงๆนะพูดเกลียวพิสุณีทั้งหลายนะครับชางสื่อกับพิสุณีทั้งหลายด้วยหมายว่า แม้แต่ไหนพิสุลิทั้งหลายพึงกำหนดรักใครในพวกเารานะรับดังนี้เขาไม่อด้อย่างไปรัย่างนี้นะพึงว่าพระเจ้าทรงบัญญัติทุกกฎแก่พิสุเหล่านั้นในเพลาะวัตถุเหล่านั้นนะครับเป็นนามัตุกฏ น, นะเพื่อการทําแต่ละอย่างนี้นะครับไม่ได้แล้วทรงอนุญาตอวันที่ยกรรมกรรมคือการไม่ต้องกระว่าไม่หนึ่งพิสุลิจะไม่ว่าพิสุที่ไปทําอย่างนี้ด้วยนะครับอันใดไว้ ในพิคุณีขันตะกาอย่างนี้ว่าพิสุทธทั้งหลายเราไม่ยากเพื่อลงธน ก, กรรมแก่พิสุทธนั้นะครา้งนั้นแลพิสุทีทั้งหลายได้มีความลำพึงเช่นนี้ว่าธน ก, กรรมมันเราจะพึงทําอย่างไรหนาจึงการคุณเนื้อความนั้นแบ่นุทธมภาพเจ้าพระองจึงตรัสว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุทธินะั้นพิสุนีสองพึงทาให้เป็นผู้อันตนไม่ควรว่าอย่างนี้ <c oughs> อวันทยกรรมนั้นเป็นกรรมลักษณะแท้ย่อมเป็นที่ครบถ้วเดี๋ยวท่านจะที่บ้านให้ทาำยังไงพิษุณีสองวัจะมีการประชุมสองใช่ไหมแล้วก็อภโลกนะครับอภิลกที่จะไม่ว่าพิสูรรูปนี้นะเพราะแสดงการไม่น่ารู้ใสนะครับทีนี้เมื่อพิษุณีลงกรรมแกะผ้าอย่างนี้แลนะนะพอเจอผ้ารูปนี้ที่ไหนก็แล้วแต่พิสุณีทั้งหลายก็จะไม่ว่านะครับธรรมนาต้องว่าพิสูรใช่ไหมพิษุณีทั้งหลายเจอผ้าที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องว่า เป็นธรรมดาที่สุดนี้นะเป็นครูธรรมข้อหนึ่งใช่ไหมท่านจะไม่ผิดใช่ไหมครับแม้บวดตั้งร้อยพันศาแล้วนะครับก็ต้องว่วที่สุภูผู้บวชในวันนั้นนะครับ น, นี่นะลุกล็อกกางว่านทธุริษาวิจีกรรมไป้สู่แม้บวชในวัน น, นนะไปนะครับอย่อมเป็นที่ครบห้าเป็นฐานะอันเป็นปลายแห่งอาการสาบาของป ร, กกรุปนกรรมนี้ อัปโรกนรักรรมมีห้าใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันแรกนะครับจำได้ไหมโอสรนโอสารนาอันนี้สารนาก่อนการขับไล่ใช<ะ>่ไหมครับอ๋อโอสารนาการเรียกเ่อสาฟพันดับพันุกรรมทำให้หัวโล4สีพ่พมทันนะครับอาญาประเสริฐและห้ากรมรมลักษณะนะครับสักษณะนกรรมนี่นะ ขยายความว่าอาวันที่ยากรรมนั้นจัดว่ามีลักษณะที่เป็นกรรมเหมือนกันนะแต่ไม่จัดเป็นกรรมอยากมีโอสาราณาเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาวันที่ยกรรมนั้นท่านจึงได้โดยสารมันว่ากรร ม, มลักษณะคือสิ่งที่มีลักษณะเป็นกรรมแต่ไม่ได้จัดเข้าในสี่อย่างที่ว่ามานะเลยเรียกชื่อว่ากรรมลักษณะเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีลักษณะอะไรที่พิเศษขึ้นนะไม่เข้าในข้อนั้นเลย แต่ว่ามีลักษณะเป็นกรรมในวชิณาพุทธีปิกากล่าวไว้ว่าลักษณะคือกรรมชื่อว่ากรรมลักษณะกรรมลักษณะนั้นเป็นกรรมและไม่ได้ชื่ออย่างอื่นเหมือนกับกรรมอย่างมีโอสัลนานที่แสดงแม่พันดุกรรมเป็นต้นเป็นกรรมที่ถูกเข้าไปมือนว่าเป็นกรรมเหมือนกันดังนั้นจึงชื่อว่ากรรมลักษณะมีลักษณะที่เป็นกรรมเหมือนกับปณิสยปัจจัยเนี่ย นักเรียนพิธามต้องรูปณิสัยปัจจัยอปัจจัยคือที่อาศัยที่มีกําลังใช่ครับเดี๋ยวจะอธิบายของนักข้าวนะจึงอยู่ปัจจัยพิเศษทั้งหมดที่พ้นไปจากลักษณะของเหตุปัจจัยเป็นต้นก็ย่อมถูกสงเคลงในอุปณิสัยปัจจัยนั้นนะครับจะปัจจัยก็แล้วแต่นะปัจจานุภาพมหาปัญญามีเท่าไหร่ครับเนี่ยปริสิทิ์ที่แปดนี่ยใช่ไหมครับ ปรจจัยนั้มหารปรามมัญหาเเท่าไหร่ครับยี่สี่หรือยี่สิบแปดยี่สี่ช่ไมครับปัจจัยยี่สี่นะครับถ้าบอกว่าอันไหนก็แล้วแต่นะที่มันสงค้อะไรอย่างอืงอ่นไม่ได้นะครับทั้งที่เหลือใช่ไหมไม่ได้สักข้อเลยนะครับยี่บสามข้อไม่ได้สักข้ออนะไรอย่างเงี่ยมันก็จะอยู่ในข้อปณิสยาปัจจัยนะครับไม่พ้นอันนี้นะเพราะฉะนั้น อุปนิสัยปัจจัยเสียยปัจจัยมหาประเทศนะครับปัจจัยที่มีขอบเขตกว้างขวางนะจะคุมปัจจัยอย่างอื่นทั้งหมดนะครับเป็นเช่นอะไรนะอากาศร้อนแล้วก็หงุดหงิดอย่างนี้นะเนี่ยอากาศร้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะความหงุดหงิดใช่ไหมก็ช่วยเป็นปนิสัยปัจจัยได้แล้วนะครับฟังธรรมแล้วก็เกิดปัญญาการฟังธรรมก็เป็นอปนิสัยปัจจัยให้เกิดปัญญาหรือว่าข้อในอดีตประช่า เราเคยสั่งสมการศึกษาปฏิบัติตามธรรมเนียมมุเจ้าพอมาชาตินี้นะครับ <c oughs> พอมาได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยจาจมันก็นอกไปในการศึกษาและปฏิบัติทางทันทีเลยนะในอันเหตุที่เราเคยสั่งสมก็เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยนะครับได้หมดนะหรือแม้แต่พ่อไปคดบัณฑิตใช่ไหมก็เลยมีนิสัยที่เป็นบัณฑิตนะครับเป็นผู้ฉลาดสามารถมีทาาิศทางอ่โยนอนี้นะหรือพ่อไปคบพานก็เลยเป็นคนพานไปเนี่ยการคบบัณฑิตก็เป็นการคบคนพานเขาดีนะ ก็เป็นปณิสียปจัจจัยทั้งหมดนะครับมันคุ้มนะได้หมดเลยนะครับอันนี้นะปัจจัยมหาประเทศนะครับก็บอกว่าถ้ามันสงเคราะห์ที่เหลือไม่ได้นั้นเหตุปัจจัยมันต้นไม่ได้นะครับมันก็จะรวมลงปณิสียปัจจัยนี่แหละนะครับอันนี้ก็เห ม, มือนกันกรรมลักษณะนะถ้ามันสงเคราะห์ถ้ากรรมอันนี้นะครับสงเคราะห์สียาที่เหลือนะก่อนหน้านั้นไม่ได้สักข้อเลยใช่ไหมมันก็จะมาเข้าในกรร ม, มลักษณะนี่แหละนะครับค่านี่ยนะ สรุปแล้วคําว่ากรรมลักษณะหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นกรรมเช่นอวัติยกรรมนี้ก็มีลักษณะที่เป็นกรรมอย่างหนึ่งในปโกกลกนกรรมนั้นเองนะครับแต่ไม่มีลักษณะและไม่มีชื่อพิเศษเหมือนกับปโลกนกรรมอย่างอืง่นมีโอสัณฐานเป็นต้นจึงเรียกว่ากรรมลักษณะในยติกรรมเป็นต้นข้างหน้าก็ในนี้เหมือนกันก็จะมีกรรมลักษณะเหมือนกันนะ โอ้พักขึ้นกันนะครัพักขึ้นกัน